วัดีเรามาพูดกันถึงเรื่องมงคลกันต่อเพราะว่าพูดมาตั้งแต่ต้นมาถึงวันนี้แล้วก็อยากจะให้เข้าใจมงคลที่พระพุทธเจ้าจัดเอาไว้เพื่อเราจะได้สร้างมงคลให้แก่ตัวเราเอง ในข้อต่อไปนั่นคือยาตการนั่นจะสังขโหการสงเคราะห์ญาติญาตินั้น เ, เราแบ่งมีสองมีสองญาติญาติสายโลหิตนั่นเป็นเรียกว่าเป็นญาติอย่างหนึ่งญาติอีกอย่างหนึ่งคือญาติที่มีความคุ้นเคยกันเรียกว่าญาติธรรม ในญาติต่างๆเหล่านี้นั่นก็ต้องถือว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะต้องอยู่เป็นหมู่ชนเมื่ออยู่เป็นหมู่ชนมันก็จะต้องมีคนที่เรารู้จักการรู้จักนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาปรามายาตีความพุ่นเคยคือญาติอย่างหนึ่ง เมื่อเรามีความคุ้นเคยกันเรามองเห็นแล้วว่าญาติของเรานั้นตกทุปริยากเราจาเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขแต่ว่าพระองค์ได้แนะนำไปว่าการที่จะสงเคราะห์คนเนี่ยเราจะต้องมีพรหมวิหารพรหมวิหารคือความเมตตากรุณามุตุลาอุเบกขาเราเมตตาเขา เพื่อที่จะหาทางช่วยฟื้นฟูต่างๆแล้วก็กรุณาเขาด้วยการที่ใช้ความอ่อนน้อมและใช้ความการุณาคือความปราณีที่จะช่วยเขามุทุตตาคือการอ่อนน้อมในการที่จะช่วยเขาไม่ใช่ช่วยเขาโดยการที่บังคับขู่เข็น หรือว่าช่วยเขาด้วยเอาประโยชน์ด้วยช่วยเขาด้วยการข่มขู่ในที่สุดนั้นก็มีอุเบกขาคือเราช่วยไม่ไหวแล้วก็ย่อมต้องไม่ช่วยก็จะต้องรู้จักประมาณเหมือนกันกับการที่ช่วยคนตกน้ำเมื่อช่วยคนตกน้ำนั้นเราจาเป็นที่จะต้องเอ า, เอาชูเชพ หรือเอาเชือกหรือเอาอะไรโยนให้เขาแล้วจับเราดึงมาไม่ใช่ว่าเขาตกน้ําแล้วเราก็โยนลงไปช่วยเขามันก็จมไปด้วยกันในข้อนี้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุเบกขาเพราะบางคนนั้นถึงแม้ว่าจะช่วยก็ยช่วยไม่ได้แล้ว เ, เพราะว่ามัน เ, เป็นกรรมวิบากหรือเรียกว่า เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะกระทำได้มันก็มีอยู่หลายอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะบริจาคหรือเราที่จะช่วยเหลือญาติเราก็ช่วยเหลือในฐานะพอเหมาะพอดีพอควรไม่ใช่ช่วยจนกระทั่ง เ, เขาไปนั่งกินนอนกินแล้วก็ อยู่อย่างนั้นไปโดยตลอดนั่นเรียกว่าช่วยด้วยการไม่มีปัญญาการช่วยนั้นต้องมีต้องช่วยกันด้วยปัญญาอย่างที่เราเป็นสหธรร ม, มิกเป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันเราก็ช่วยกันในฐานะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในฐานะที่ถูกต้องไม่ใช่ช่วยให้มีการ ประมาทมัวเมาแช่นยางการช่วยให้ดื่มกินสุราช่วยให้จะกินยาเสพติดหรือ อ, อะไรหลังเหล่านี้ช่วยอย่างนี้ไ ม, ไม่ถูกคนทางเพราะฉะนั้นคําที่ว่าเป็นมงคลคือยาตการันจะสังขโหทำไมจึงเป็นมงคลเพราะว่าถ้าคนที่เขาเตบทุกข์ได้ยาก เราได้ไปช่วยเขาฟื้นฟูขึ้นมาเขาก็มีกำลังและเมื่อเขามีกำลังเขาก็สามารถตอบแทนเราได้ไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ซ้าเติมเหมือนกันกับในนิทานอิศพเขาบอกว่าพระพราชสีกระหนูหนูตัวมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้เมื่อ ราชสีตบหนูหนูก็บอกว่าอย่าฆ่าฉันเลย เ, เพราะว่าวันหนึ่งฉันก็จะได้ทดแทนคุณบุญคุณของคนเมื่อคุณปล่อยฉันไปพญาราชสีก็บอกว่าน้ำหน้าอย่างมึงจะมาทดแทนบุญคุณอะไรกูได้ตัวเล็กนิดเดียวอยู่มาไม่นานาพญาราชสีนั้นไปถูกบวงในพราน ดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุดดิ้นเท่าไรก็ไม่หลุดหนูตัวนั้นรู้เข้าก็วิ่งไปกัดเชือกเมื่อกัดเชือกแล้วเชือกก็ขาดพญาราชสีก็หนีไปได้แล้วก็หันหน้ามาขอบคุณหนูว่าตัวเล็กนิดเดียวก็มีอิทธิพลอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยอาการที่ต่างคนต่างรู้จักบุญคุณซึ่งกันและกัน เมื่อเออมื่อเขาให้เราเราก็ให้เขาตอบสามารถที่จะทำอย่างไรได้ในเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีพักเมพวกสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณูปโภคเอ่อมันก็ต้องใช้คนเป็นอันมากเมื่อใช้คนเป็นอันมากก็จำเป็นที่จะต้องออมีพักพวกมีพักพวกก็จะต้องมีญาติพี่น้อง ก็จะต้องมีเพื่อนฝูงเหมือนกันกับสังฆมณฑลสังฆะมณฑลการเป็นสังฆมณฑลได้นั่นก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเมื่อมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วนี่พระสงฆ์ก็ต่างคนสั่งอยู่ตามคนต่างช่วยกันดูแลมีความสมานสามัคคีกันมีการสงเคราะห์กันมีการให้อภัยซึ่งกันและกัน หมู่สองก็อยู่ได้เป็นหมู่เป็นคณะเมื่ออยู่ได้เป็นหมู่เป็นคณะคณะสองท่าไหลมันก็มีอํานาจเมื่อเรามีความสามารถขี่กันแล้วนี่มันกลายเป็นอํานาจอํานาจชนิดหนึ่งทั้งอํานาจเบื้องบนทั้งอํานาจเบื้องต่ํามันก็จะอยู่ที่ความสามารถขี่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนประชาชนมีเพื่อนฝูง โดยการที่ได้รับการสมเคราะห์ซึ่งกันและกันที่เรียกว่ายาตากการนันจัสังโหเนี่ยก็ทําให้หมู่ชนเหล่านั้นเกิดความสามัคคีกันขึ้นเมื่อเกิดความสามัคคีความสามัคคีนั้นก็เรียกว่ารวมหัวใจเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหัวใจหัวใจเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการได้รับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มูสงก็เช่นเดียวกันมีมาตั้งแต่ร้อยแต่พันเป็นหมื่นเป็นแสนก็เรียกว่าได้รับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเขาให้เราบ้างเราให้เขาบ้างต่างคนต่างเอื้อเฟื้อเจือจานอย่างนี้ก็เรียกว่ายาตากันนั่นจะสังโอ้คาว่าเป็นมงคลนั่นก็คือเมื่อช่วยเหลือเจือจานกันแล้วต่างคนต่างอภัยให้การซึ่งกันและกันแล้ว ในที่สุดความสามัคคีนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อความสามัคคีนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นกําลังเป็นกําลังต่อรองที่ใครๆจะมาทําอันตรายไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกนี้จะอยู่ได้ด้วยการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยความเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ในขณะเดียวกันหากเขาเหล่านั้นได้มีธรรมะเป็นเครื่องหลอง่อหลอม หมู่คณะนั้นก็จะเป็นหมู่คณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองสามารถพัฒนาชีวิตของเขาจากผู้ทุชนให้เป็นกัญยาณชนจากกัญยาณชนให้เป็นอริยชนได้สวัสดีสาธุ